หรือแสดงความเคารพผู้ใหญ่กว่าอาจทาใจให้เข้ากับความหมายที่ถูกต้องดีงามเป็นกุศลของการกระทําในกรณีนั้นๆและเวลานั้นๆดังเช่นว่าเราขอกราบไหว้เพื่อเป็นการฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างหรือเรากราบไหว้เพื่อเชิอชู ร, ระเบียบเพื่อความดีงามของสังคมหรือเรากราบไหว้ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการเทิดทูนธรรมะที่ท่านผู้นั้นเป็นตัวแทนอยู่หรือเรากราบไหว้ด้วยเมตตาหวังดีหวังประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นเพื่อเป็นเครื่องช่วยระวังรักษาท่านให้ดำรงตนอยู่ในภาวะและฐานะที่ดีงามเหมาะสมหรืออย่างน้อยที่สุดว่าเรากราบไหว้นี้เป็นการจะประพฤติธรรมในส่วนของตัวเราให้ถูกต้องให้ดีงามที่สุดของเราก็แล้วกัน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 าว่ายกราบถูกต้องหรือไม่อย่างไรเป็นโอกาสที่เราจะรู้ไว้และค่อยนํามาแนะนําด้วยความหวังดีต่อไปหรือมีใจอนุโมทนาว่าท่านผู้นี้คนผู้นี้จังเป็นผู้มีคุณธรรมสูงรู้จักรักระเบียบของสังคมรู้จักให้เกียรติเทร์ทูลธรรมหรือทำใจว่าเอาเถอะว่ากันไปตามสมมติของโลก เราแต่จะทำอย่างไรให้โลกมันดีก็เอาดังน an ี mm ้เป็นต้นเมื่อทำใจด้วยโยนิโสมนัสิการอย่างนี้ก็จะมีความมั่นใจในการกระทำของตนและจะไม่เกิดอากุศลธรรมเข้าครอบงามจิตด้วยเช่นทางฝ่ายผู้กราบไหว้ก็จะไม่ต้องมาถือเทียบเขาเทียบเราด้วยกิเลสในความยึดติดถือมั่นในตัวตนว่า เขามีดีอะไรเราจะต้องไหว้เราดีกว่าเขาเสอีกจะไหว้ทาไมดังนี้เป็นต้นทางฝ่ายผู้จะได้รับการแสดงความเคารพก็จะไม่ต้องเกิดกิเลสคอยระแวงหรือโทมนัดน้อยใจแค้นเคืองเช่นว่าทำไมคนนี้ไม่ไหว้เราทำไมคนนั้นไหว้ด้วยอาการไม่ถูกใจเราหรือลุ่มหลงลืมตัวว่า เรานี้เป็นผู้เลิศประเสริฐสูงผู้คนทั้งหลายพากันนอบนกกราบไหว้ดังนี้เป็นต้นตัวอย่างที่ยกมานี้ล้วนเป็นโยนิโสมนสิการแบบราวกุศลธรรมและให้เกิดเป็นสมมาทิฏฐิแบบโลกีเท่านั้นแต่ก็จะเห็นได้ว่าวิธีข้อสองนี้ประนีตลึกซึ้งกว่าวิธีที่หนึ่งสามารถป้องกันผลเสีย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 วิธีฝึกที่ถูกต้องตามแนวของมาร์กยังแท้จริงคือวิธีที่สองหากจะใช้วิธีที่หนึ่งควบไปด้วยก็จะน่าได้ผลดียิ่งขึ้นแต่จะใช้วิธีที่หนึ่งอย่างเดียวนับว่ายังไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาที่แท้เพราะในการศึกษาที่ถูกต้องภายนอกเริ่มต้นด้วยการฝึกขั้นศีลแต่ภายในต้องใช้โยนิโสมนสิการสร้างปัญญา ให้เกิดสมมาทิฏฐพร้อมกันแต่แรกเรื่อยไปและเมื่อทำอย่างนี้ก็เป็นการใช้โยนิโสมนสิการในทางปฏิบัติซึ่งใช้ได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันไม่ใช่รอเอาไว้พิจารณาความคิดอย่างเดียวที่ว่านั้นไม่ใช่แต่ในขั้นศีล น, นี้เท่านั้นแม้ในขั้นสมาธิและขั้นปัญญาแท้ก็จะต้องใช้โยนิโสมนสิกาอย่างนี้เรื่อยไป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 ดูที่รายละเอียดของการทํางานก็จะเห็นองค์มรรคทั้งหลายเดินไคว่ทำหน้าที่กันอยู่หรือว่าบุคคลนั้นกำลังเดินตามมรรคอยู่ตลอดเวลาผู้สรุปได้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือภายนอกฝึกตามไตรสิกขาไปภายในก็เดินตามมรรคด้วยนี่คือความหมายของความที่ว่า